สวัสดีครับท่านผู้ฟังทิตรเคารพท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมาหาวิทยาลายัยมาหามาุรุษศาชตร์วิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารครับผมเมสิีดินทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมนะครับตอนนี้วิเคราะห์ธรรมอยู่ในเรื่องกระทำวัตถุค่อยคำที่ควรพูด สิบอย่างแล้วก็มาถึงหัวข้อที่แปคือปัญญากรา เ, เรื่องนี้ผมค่อนข้างจะพูดนานหน่อยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าเรื่องปัญญานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมของเราเพราะว่าสังคมของเราส่วนมากก็ใช้ศรัทธาเป็นตัวนำชีวิต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 แือว่าถ้าได้ปัญญาแล้วก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต <c oughs> จนถึงกับพระเถระบางท่านในพุทธศาสนาที่เป็นพระอราหันต์แล้วเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นกษัตริย์มาก่อนอย่างพระมหากัปปินะเถระท่านได้เป็นอุทานกล่าวออกมาว่าสิ้นทรัพย์ แต่มีปัญญาก็พออยู่ได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีปัญญาแม้จะมีทรัพย์ก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะครับออแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักปัญญามาก <c oughs> ออทางชีวิตเนี่ยครับเดินยากกว่าทางธรรมดาทั้งหลายเท่า <c oughs> ซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาเป็นไฟสองทางสาหรับการเดินทางชีวิต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 ว, วิถีชีวิตก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจึงมีระดาับอยู่ในวิถีชีวิตของเราแต่ละคน <c oughs> เราแต่ละคนเนี่ยพยายามปฏิบัติตามที่รู้ <c oughs> ก็ย่อมจะนำชีวิตไปสู่ความสงบสุขได้มากกว่า